ปาราชิกสิกขาบทที่สอง158ถามภิกษุถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ต้องอาบัตเท่าไรตอบภิกษุถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ต้องอาบัตสอย่างคือ 1. ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลักมีราคาหามาศกหรือเกินกว่า5มาศก ต้องอาบัติปาราชิก 2. ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลักมีราคาเกินกว ok, <3. S 1> ok, ่าหนึ่งมาศกหรือน้อยกว่า5้ามาศกต้องอาบัติทุลจใจ 3. ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลักมีราคาหนึ่งมาศกหรือน้อยกว่าหนึ่งมาศกต้องอาบัติทุกก ภิกษุถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ต้องอาบัตสามอย่างเหล่านี้